สองจุดสองเจดธรรมะของหลวงพ่อพุธวงเล็บเปิดหพฤศจิกายน2549ห้า้อสิบเก้าจุดจุดนาทียี่สิบหกวงเล็บปิดวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่การคิดวิปัสสนาจริงๆในอภิธรรมสอนว่าเริ่มจากอุทยพย า, ยานอุทยพย า, ยานมันเห็นการเกิดดับของรูปนามแล้วระบุเอาไว้ด้วยว่าต้องพ้นจากความคิดด้วย ถ้าอยเห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเอาเช่นคิดเอาไว้ว่าจิตตะกี้กับจิตเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันแสดงว่าเป็นไตรลักษณ์อันนี้ได้แค่สัมมสาาัญาายังไม่ขึ้นวิปัสนาฉะนั้นตราบใดที่ยังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสนาหลวงพ่อพุธเคยสอนนะว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดปิดเครื่องหมายคำพูด ฉะนั้นความคิดคือศัตรูเบอร์หนึ่งเลยมันทาให้เราลืมกายลืมใจตัวเองส่วนศัตรูเบอร์สองคือการบังคับกายบังคับใจนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักบังคับกายบังคับใจเพ่งเอาเพ่งเอากาหนดเอากาหนดเอากายก็ทื่อๆใจก็ทื่อๆถ้าเราบังคับกายบังคับใจจนทื่อๆไปแล้วไตรลักษณ์มันจะไปอยู่ที่ไหนมันไม่แสดงตัวขึ้นมา ฉะนั้นศัตรูของผู้ปฏิบัติวิปัสนาอันแรกหลงไปเผลอไปขาดสติลืมเนื้อลืมตัวตามใจกิเลสไปอันนี้เรียกว่าอากุศลาภิสังขารบ้างอปุญญาพิสังขารบ้างเรียกการ ม, มาสุ ข, ขาลิกานุโยกบ้างมีหลายชื่อศัตรูหมายเลขสองคือการเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจกำหนดกายกำหนดใจควบคุมเอาไว้ทํากายทําใจให้ลําบาก น, นี้เรียกว่าปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายที่เป็นบุญเรียกว่ากุศลาภิสังขารความปรุงแต่งที่เป็นกุศลเรียกว่าอัตตะกิลมัทฐานุโยกการบังคับตัวเองฉะนั้นสองทางนี้เป็นทางสุดโต่งสองด้านที่พระพุทธเจ้าห้าม